ธรรมกาถาครั้งที่เก้าตอนย้ำความกายเวทนากันต่อการปฏิบัติทางจิตใจมุ่งให้ใจตั้งมั่นสงบเป็นสมถะและมุ่งให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเป็นวิปัสนาได้แสดงมาโดยลำดับ ตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ในมหาสติปัฐานสูตรซึ่งเป็นทางปฏิบัติอันเดียวอันจะให้บังเกิดผลดังกล่าวนั้นแม้ที่ทรงแสดงไว้ในทางอื่นก็สรุปรวมลงในทางนี้ฉะนั้นก็ให้ระลึกถึงทางปฏิบัติที่ทรงสั่งสอนไว้ตั้งแต่ต้น และรวมใจเข้ามาระลึกดูกายดูเวทนาที่ตนเองดูกายนั้นตรวจดูโดยทั่วๆไปคือตั้งสติกำหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวหรือสั้นก็ให้รู้ให้รู้กายทั้งหมดคือทั้งที่เป็นส่วนนามกาย ได้แก่ความคิดความกำหนดในบัดนี้ทั้งที่เป็นส่วนรูปกายและกำหนดทำใจให้สงบทำกายให้สงบลมหายใจก็จะสงบลงโดยลำดับและให้รู้อิริยาบถเช่นบัดนี้กำลังนั่งอยู่อย่างไรก็ให้รู้ และตรวจดูอาการที่เป็นอวัยวะภายนอกภายในสรุปลงในธาตุดินน้ำไฟลมอากาศเป็นกายที่มีชีวิตเมื่อธาตุเหล่านี้แตกสลายดับลมดับไฟคือความอบอุ่นในร่างกายเป็นต้นก็กลายเป็นกายที่สิ้นชีวิต กายอันนี้ก็ผุเปื่อยไปโดยลำดับจนถึงเป็นกระดูกผุปนสิ้นสมมติบัญญัติว่าเป็นกายแต่ว่าการตรวจกายดังกล่าวมานี้เป็นการเที่ยวดูให้ทั่วเท่านั้นการที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิก็จะต้องให้พักอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเป็นต้นว่า เมื่อพอใจจะกำหนดในลมหายใจเข้าออกก็ให้กำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนั้นในการปฏิบัตินี้ในเบื้องต้นก็จะมีทุกกายทุกใจทุกกายก็คือเมื่อขบเป็นต้นทุกใจก็คือต้องมาบังคับรวมใจให้สงบ กายที่ไม่เคยต้องมานั่งเข้าที่ก็เป็นทุกข์ใจที่ไม่เคยมาปฏิบัติให้สงบก็เป็นทุกข์ก็ให้รู้ว่านี่แหละเป็นทุกเขเวทนาที่มีเครื่องล่อข้างนอกคือกายเคยอยู่ตามสบายความที่เคยอยู่ตามสบายนั้นก็มาล่อให้กายเป็นทุกข ใจเคยคิดไปตามสบายเมื่อมาถูกรวมให้สงบก็เป็นทุกข์แต่ว่าเมื่อมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยตั้งใจให้แน่วแน่ต่อไปทุกข์นั้นก็จะสงบไปโดยลําดับก็จะเกิดความสุขขึ้นกายก็จะรู้สึกสบายใจก็จะรู้สึกสบายเป็นสุข แต่ก็เผลอสติไม่ได้ถ้าเผลอสติเมื่อใดใจก็จะวิ่งออกไปคว้าเอาอารมณ์ข้างนอกบางทีก็ไปเพลินสุขอยู่กับอารมณ์ข้างนอกก็ให้รู้ว่าสุขนั่นก็เป็นสุขที่มีเครื่องลอ่อคือมีเครื่องลอกข้างนอกมาล่อใจออกไปและถ้ากายก็เป็นสุข เพราะเครื่องล่อข้างนอกดังนั้นก็ให้รู้ว่านั่นก็เป็นสุขที่มีเครื่องล่อข้างนอกเครื่องล่อข้างนอกนี้สำคัญมากที่จะทำให้ใจหลบออกไปบางทีมีเสียงเดินเสียงพูดเสียงรถเสียงอะไรข้างนอกใจก็หลบออกไปที่เสียงนั้นทันทีและก็ไม่ไปแต่เท่านั้น ต่อไปเรื่องอื่นอีกมากมายนั่นเป็นเครื่องล่อข้างนอกทั้งนั้นไม่ปล่อยให้ใจเพลินไปกับเครื่องล่อเหล่านั้นถ้าจะมีความสุขเพราะใจเพลินไปกับเครื่องล่อข้างนอกนั้น <c oughs> ก็ให้รู้ว่าสุขนั้นหรือความเพลิดเพลินนั้นเป็นความเพลิดเพลินที่เกิดจากเครื่องล่อจึงรวมใจเข้ามาอยู่ที่อารมณ์ของสมาธิ ให้เป็นอันเดียวในบางครั้งก็รู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขแต่ว่าความไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นบางทีใจก็ไปคว้าเอาเรื่องข้างนอกเที่ยวไปอยู่กับเรื่องข้างนอกเรื่อยๆไปไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างไรก็ให้รู้ว่านั่นเกิดจากเครื่องล่อข้างนอกเหมือนกันเพราะฉะนั้น ก็ให้คอยรู้และดึงใจกลับเข้ามาอยู่ที่อารมณ์ของสมาธิจนจิตสงบสงัดจากกามจากอากุศลธรรมทั้งหลายได้ความสุขอันเกิดจากความสงบสงัดนั่นก็พึงรู้ว่าอันนี้แหละที่เป็นสุขอันไม่เกิดจากเครื่องล่อข้างนอกแต่เกิดจากความสงบสงัดเมื่อได้ความสุขดังนี้ ก็จะได้รสของการปฏิบัติเป็นเบื้องต้นแต่ก็ไม่ควรติดอยู่กับความสุขอันนี้เปลนไปอยู่กับความสุขอันนี้ให้ตั้งจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธินั้นสืบต่อไปตอนกำหนดจิตคราวนี้เมื่อคอยดูให้รู้เวทนาดังกล่าวมานี้ก็ให้ดูเข้ามาถึงจิตใจเอง ดูเข้ามาถึงจิตใจนี้ก็คือดูภาวะความเป็นของจิตใจกำหนดว่าจิตใจเป็นอย่างไรเมื่อกำหนดดูก็จะรู้สึกว่าเวทนานั้นแล่นเข้ามาถึงจิตใจด้วยถ้าไม่กำหนดก็จะไม่รู้สึกคือเมื่อเกิดไม่สบายกายไม่สบายใจไม่สบายกายนั้นก็แล่นมาถึงใจ ไม่สบายใจก็เป็นเรื่องของใจโดยตรงก็เกิดความไม่ชอบที่เรียกรวมว่าโทสะแต่เรียกว่าโทสะออกจะเป็นคำรู้สึกว่าแรงฉะนั้นก็ให้เข้าใจว่าคือความไม่ชอบเป็นความหมายกว้างๆเพราะว่าใครๆก็ไม่ชอบทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ขึ้นก็เกิดความไม่ชอบ ความไม่ชอบนี้ก็เริ่มเป็นเรื่องของโทสะไม่ชอบมากขึ้นโทสะก็ปรากฏชัดขึ้นเพราะฉะนั้นความไม่ชอบหรือเรียกว่าโทสะนี้จึงเนื่องมาจากทุกขเวทนาคือความรู้สึกเป็นทุกกายเป็นทุกใจเมื่อกระทบอะไรเข้าต้องเป็นทุกกายทุกใจขึ้นก่อน จึงจะเป็นเรื่องของโทสะฉะนั้นทุกขเวทนาจึงเป็นชนวนให้เกิดโทสะหรือความไม่ชอบเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้รู้ว่าจิตมีโทสะคือจิตใจมีความไม่ชอบขึ้นแล้วในทางตรงกันข้ามเมื่อประสบสุขเวทนาคือความสุขกายสุขใจ ก็เกิดความชอบขึ้นหรือเรียกว่าราคะแต่เรียกว่าราคะออกจะรู้สึกว่าเป็นคำแรงเรียกว่าความชอบอาจจะกว้างแต่ก็พึงเข้าใจว่าเป็นนันเริ่มเป็นราคาขึ้นราคานั้นมีความหมายตั้งแต่อย่างละเอียดคือความติดความยินดีอันเป็นเรื่องของความชอบ ฉะนั้นความชอบทุกๆอย่างหรือเรียกว่าราคะจึงเนื่องมาจากสุขเวทนาก่อนกระทบอะไรที่ทำให้เกิดสุขเวทนาคือความสบายกายสบายใจขึ้นราคะคือความชอบหรือความติดความยินดีก็เกิดตามขึ้นมาทันทีฉะนั้นก็ให้รู้ว่า จิตได้เกิดความชอบหรือเกิดราคาขึ้นแล้วและสิ่งที่ไม่ใช่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขแต่เป็นกลางกลางที่เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาได้แก่ประสบอะไรที่คุ้นอยู่ชินอยู่ก็เกิดเวทนาที่เป็นกลางกลางบางทีเมื่อประสบใหม่ๆเกิดสุข เหมือนอย่างเมื่อได้อะไรที่ชอบใจทีแรกก็เกิดสุขครั้นเมื่อได้มาแล้วสุขตื่นเต้นทีแรกก็หายไปก็รู้สึกเฉยๆเป็นอทุกข์ ข, ขมสุขเวทนาอันนี้ก็แล่นไปถึงจิตอีกก่อให้เกิดความติดอยู่ในสิ่งนั้นความติดอยู่ในสิ่งนั้นเป็นความหลงอย่างหนึ่งคือว่า หลงติดเหมือนอย่างตัวอย่างที่ยกมาแล้วนั้นได้สิ่งที่ชอบใจมาก็เกิดสุขตื่นเต้นขึ้นก่อนครั้นแล้วก็รู้สึกเฉยแต่ว่าความรู้สึกเฉยเฉยนั้นไม่ใช่ปล่อยยังยึดอยู่ดังที่เรียกว่ามัจฉริยะหวงแหนไม่ใช่หมายความว่าสละได้ สลับไม่ได้ยังยึดอยู่ยังติดอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรแต่ก็ปล่อยไม่ได้เหมือนกับสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่และเก็บไว้อันนี้ก็เป็นลักษณะของความติดซึ่งเป็นความหลงอย่างหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้รู้สึกว่าจิตใจมีโมหะ คือความหลงติดอยู่สุขทุกนั้นวูบวาบคราวหนึ่งคราวหนึ่งทาให้เกิดชอบเกิดชังวุบวาบคราวหนึ่งคราวหนึ่งแต่ว่ากลางๆซึ่งมีเป็นพื้นอยู่นี้ไม่พิจารณาก็ไม่รู้สึกถ้าพิจารณาดูแล้วจะรู้สึกว่ามีอยู่มาก และจิตใจก็หลงติดอยู่กับสิ่งที่เป็นกลางๆนี้มากไม่วูบวาบเหมือนอย่างสุขทุกข์ที่ทำให้เกิดชอบไม่ชอบดูจิตใจให้รู้สึกตามเป็นจริงดังนี้ในทางตรงกันข้ามเมื่อจิตว่างคือปราศจากราคะความชอบโทษะความชังโมหะความหลงติดก็ให้รู้ ในการปฏิบัติสมาธินั้นเมื่อตั้งหลักว่าจะทำอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตที่ตั้งมั่นไม่ได้ก็เพราะคอยวอกแวกไปอยู่กับชอบกับชังกับหลงข้างนอกเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูให้รู้จิตของตนด้วย เมื่อจิตวกแวกออกไปด้วยชอบด้วยชังด้วยหลงดังนี้ก็ให้รู้และเมื่อคอยรู้อยู่จิตก็จะสงบกลับเข้ามาในขณะที่ปฏิบัตินั้นก็อาจจะเกิดความห่อแหหรือความฟุ้งซ่านถ้าจิตใจรู้สึกว่าห่อแหหรือว่าหอเหี่ยวก็ให้รู้ แล้วก็คอยยกจิตขึ้นให้เกิดความชื่นบานหรือว่าให้คอยรู้ไว้ว่าที่ยังห่อยี่ยวอยู่นั้นเพราะยังไม่ได้รับความสุขที่เกิดจากความสงบ ก, ก็ไม่ยอมสลากการปฏิบัติถ้าจิตฝุ่งซ่านก็ไม่ปล่อยให้ฝุ้งซ่านไปคอยมีสตินำกลับเข้ามาบางคราว จิตอาจจะกว้างขวางก็ให้รู้บางคราวจิตอาจจะคับแคบก็ให้รู้ถ้าจิตกว้างขวางคือรู้สึกเบิกบานออกไปมากถ้ากว้างขวางเบิกบานมากไปก็ต้องคอยมีสติควบคุมให้พอสมควรถ้าจิตคับแคบไปก็จะทำให้เกิดทุกข์แต่ต้องคอยกำหนดอย่าให้เป็นดังนั้น บางทีสุขมากก็ทำให้เบิกบานกว้างขวางไปสุกน้อยไปก็ทำจิตให้คับแคบฉะนั้นก็ต้องอย่าให้มากให้น้อยต้องให้พอดีในบางคราวจิตรู้สึกว่ายิ่งเช่นต้องการจะทำต้องการจะปฏิบัติก็จะทำจะปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไป บางทีก็รู้สึกว่าไม่ยิ่งหรือว่าย่อนก็ทำให้ละเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องคอยผ่อนปรนให้พอดีเหมือนกันอย่าให้รู้สึกว่ายิ่งและก็แรงจนเกินไปหรือว่าอย่าให้หย่อนและละเลยจนเกินไปต้องประคองเข้ามาให้พอดีพอดีไม่ให้ยิ่งนัก ไม่ให้หย่อนนักเมื่อการปฏิบัติจะยิ่งขึ้นไปก็ให้ดำเนินขึ้นไปเป็นลาดับในบางคราวจิตก็ตั้งมั่นในบางคราวก็ไม่ตั้งมั่นก็ต้องรู้แล้วก็ต้องคอยสอบสวนถ้าตั้งมั่นก็ดีอยู่แต่ถ้าไม่ตั้งมั่นคอยวอกแวกไปก็ต้องคอยดูว่าเพราะอะไร ต้องมีขาดตกบกพร่องอะไรอยู่จิตจึงตั้งมั่นไม่ได้ก็ต้องสืบให้รู้เหตุและพยายามนําจิตกลับเข้ามาให้ตั้งมั่นให้ได้และในบางคราวจิตพลนบางคราวไม่พลที่ว่าพลนนั้นในชั้นสามัญก็คือปล่อยวางอะไรมาปฏิบัติให้เกิดความสงบได้ ในบางคราวไม่พ้นก็คือปล่อยอะไรให้สงบไม่ได้จิตคอยจะกลับไปกังวลอยู่กับเรื่องข้างนอกเช่นการงานเป็นต้นอยู่ถ้าหากว่าจะปล่อยให้จิตเป็นดังนี้การนั่งปฏิบัติก็ไม่เป็นผลเพราะฉะนั้นเมื่อมานั่งปฏิบัติก็ต้องพยายามทำจิตให้พ้นให้จงได้ คือให้พ้นจากความกังวลเกี่ยวกาะอยู่กับเรื่องข้างนอกและมาทำจิตให้สงบเมื่อปล่อยวางเสียได้ดังนี้ก็เรียกว่าทำจิตให้พ้นได้เมื่อทำจิตให้พ้นจากอารมณ์ข้างนอกเสียได้แล้วการมานั่งปฏิบัติก็สะดวกเข้าต้องคอยดูให้รู้จิตใจของตนประกอบอยู่ด้วยเสมอ ฉะนั้นในการปฏิบัติจึงต้องให้รู้ทางปฏิบัติดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้คือรู้กายรู้เวทนารู้จิตประกอบกันด้วยตั้งไว้เป็นข้อปฏิบัติข้อหนึ่งให้เกิดความสงบตั้งมั่นเช่นจะยกานาปานสติเป็นข้อตั้งก็ตั้งเอาไว้ การจะทำอานาปานสติให้ก้าวหน้าไปได้ก็ต้องรู้ถึงเวทนารู้ถึงจิตจึงต้องคอยกำหนดเวทนากำหนดจิตที่เข้ามาพัวพันทำให้จิตสงบตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ที่ตั้งอันนั้น3กันยายน2504